แต่นายพรานมานั่นสินายพรานเขาไม่ได้จอแจนี่เขามาจาอเลยหายิงเนื้อล่าเนื้อนายพรานก็รู้พอนายพรานมาข้างหน้าโนนทางนี้ดิ้นแล้วจะออกจากทางพอเห็นท่าไม่ดีก็ปล่อยปล่อยก็วิ่งเลยเข้าป่าปับ๊บสักเกียวนายพรานก็มา คือสติมันดีอย่างนั้นนะว่างั้นรู้ได้เร็วมากไอ้ที่จะไปเจอกันจริงๆไม่ได้เจอง่ายๆแหละมันดุดิกดุกดิกแล้วพอจวนเท่าไรมันดิ้นจะไปพอปล่อยปั๊บนี้วิ่งเลยเข้าป่าสักเดียวนายพลานก็มาบางทีเวลานอนกลางคืนเหมือนกับว่าเอาเสือเป็นหมาเจ้า ข, ของนอนอยู่กลางคืน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 วิชานั่นแหละไปเกี่ยวโยงกันกับสิ่งเหล่านี้มาอยู่กับเจ้าของ